ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่26เอเน็ตแอร์หมายเลขสองโพรย่างศพเด็กใส่จานตากแดดเพื่อทำกุมารทองตำ ร, รวจกำลังสงสัยกันอยู่ว่าเอาศพทารกมาหรือฆ่าเด็กที่ยังไม่ตายเพื่อเข้าพิธีโดยเฉพาะกันแน่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 สนใจเองวันที่เธอไร้ร่างกายจะสุดท้ายจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยนคลายเที่ยวตอลับฝันร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจนในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคน จนในความฝันอาจเปลืองร้อยกันจนดูซับซ้อนแต่ความจริงมันคือผลถ้าใจเธอที่แท้จริงโลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพลองของใจดีหรือไรสอนอไว้คงทำไม่ได้ แค่เ พ, พียงภาพรูปน่าอย่างมีทุกสุขใจสุกกายมือ